ระดับของสมาธิในชั้นอัตถกถาท่านจัดแยกสมาธิออกเป็นสมระดับคือหนึ่งคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะ momentary concentration เป็นสมาธิขั้นต้นซึ่งคนทั่วไป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 ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งฌานหรือสมาธิในบุพภาคแห่งอัปปนาสมาธิ 3. อัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่หรือสมาธิที่แนบสนิท a t t a n n concentration เป็นสมาธิระดับสูงสุดซึ่งมีในฌานทั้งหลาย ถือว่าเป็นผลสาเร็จที่ต้องการของการเจริญสมาธิสมาธิอย่างที่สองและสามอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิมีกล่าวถึงบ่อยๆในคาอธิบายเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานและมีที่กำหนดค่อนข้างชัดเจนคืออุปจารสมาธิเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นโดยละนิวรณ์ทั้งห้าได้ ถ้ามองในแง่การกำหนดอารมณ์กรรมฐานก็เป็นช่วงที่เกิดปฏิภาคนิมิตคือภาพที่มองเห็นในใจของสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานซึ่งประณีตลึกซึ้งเลยจากขั้นที่เป็นภาพติดตาไปอีกขั้นหนึ่งเป็นของเกิดจากสัญญาบริสุทธิ์ปราศจากสีปราศจากมนลทินสามารถนึกขยายหรือย่อ่วนได้ตามปรารถนา เป็นสมาธิจวนเจียนจะแ น, แน่วแน่โดยสมบูรณ์ใกล้จะถึงฌานอุปจารสมาธินั่นแหละเป็นเมื่อชำนิีชั่นานคุณดีแล้วก็จะแน่วแน่กลายเป็นอัปนาสมาธิเป็นองค์แห่งฌานต่อไปในอุปจารสมาธินิวรก็ถูกละได้แล้วองค์ฌานก็เริ่มเกิดคล้ายกับอัปนาสมาธิ มีข้อแตกต่างเพียงว่าองชาญยังไม่มีกำลังดีพอได้นิมิตภักตัวก็ตกผวังพักหนึ่งขึ้นๆตกๆเหมือนเด็กตั้งไข่เขาพยุงลุกก็คอยล้มส่วนในอปนาสมาธิองชาญทั้งหลายมีกำลังดีแล้วจิตตัดผวังแล้วคราวเดียวก็ตั้งอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเหมือนผู้ใหญ่ที่แข็งแรงลุกจากที่นั่งแล้ว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 สมาธิเบื้องต้นหรือสมาธิต้นเขาและบริกรรมสมาธิสมาธิขั้นระเตรียมหรือเริ่มลงมือที่กล่าวถึงในคำพีวิสุทธิมักเป็นคณิกาสมาธิมูลสมาธิที่ว่าเป็นคณิกาสมาธินั้นท่านยกตัวอย่างจากบาลีมาแสดงดังนี้หนึ่งเพราะฉะนั้นแหล ภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีในภายในและธรรมะทั้งหลายที่ชั่วร้ายเป็นอกุศลจะไม่ก่อคุมจิตตั้งอยู่ได้ภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลสองเมื่อใดแลจิตของเธอ เป็นจิต ท, ที่ตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีแล้วในภายในและธรรมะทั้งหลายที่ชั่วร้ายเป็นอกุศลไม่เกาะกลุ่มจิตตั้งอยู่ได้เมื่อนั้นเธอเพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญจักทาให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสังสมจัดเจน ทำให้สำเร็จได้เป็นอย่างดีภิกษุเธอเพึงศึกษาอย่างนี้แหล 3. สมเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมะอันเธอได้เจริญได้กระทำให้มากอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเธอเพึงเจริญสมาธินี้อันมีทั้งวิตกทั้งวิจารณ์บ้าง อันไม่มีวิตกไม่มีวิจารณบ้างอันไม่มีวิตกมีแต่วิจารณบ้างอันมีปิติบ้างอันไม่มีปิติบ้างอันประกอบด้วยความช้ำชื่นบ้างอันประกอบด้วยอุเบกขาบ้างท่านอธิบายว่าอาการที่จิตพอแค่มีอารมณ์หนึ่งเดียวลงได้โดยภาวะที่เป็นตัวของตัวเองอยู่ภายใน ตามความในข้อที่หนึ่งที่ว่าจิตตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีในภายในบาปอกุศลธรรมไม่อาจครอบงาได้ภาวะจิตขั้นนี้แหละเป็นมูลสมาธิความต่อไปในข้อที่สองเป็นขั้นเจริญคือพัฒนามูลสมาธินั้นให้มั่นคงอยู่ตัวยิ่งขึ้น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 หรือคณิกาสมาธินั้นเจริญขึ้นไปผ่านอุปจารสมาธิจนกลายเป็นอั ป, ปนาสมาธิในขั้นชานด้วยวิธีกำหนดอารมณ์อื่นๆเช่นกสินเป็นต้นตัวยอย่างอื่นอีกเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงการบำเพ็ญเพียรของพระองค์เองว่าหนึ่งภิกษุทั้งหลาย เรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมุ่งเด็ดเดียวอยู่มีแนคข ม, ม่วิตกอภยาบาทวิตกอ ว, วิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเนคข ม, มวิตกอภยาบาดวิตกอ ว, วิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แล้ววิตกชนิดนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น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 คำว่าตั้งมั่นหรือเป็นสมาธินี้ตามรูปศัพท์จะแปลว่าทรงตัวเรียบก็ได้ดูเหมือนว่าถ้าลายอย่างนี้จะให้ความรู้สึกเป็นการเคลื่อนไหวดีกว่าคือคล้ายกับแปลว่าเดินแนวสม่ำเสมอเหมือนคนใจแน่าแ น, แน่เดินเรียบบนเส้นลวดซึ่งขึงในที่สูงคำว่าไม่กระสับกระส่ายจะแปลว่าไม่เครียดก็ได้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 เสียงใบไม้เป็นต้นตามลำดับเสียงที่คนจิตใจปกติพอได้ยินแต่คนที่บริกรรมสมาธิหรือคณิกาสมาธินี้ได้ยินจะดังชัดเจนกว่าเป็นอันมากเรื่องคณิกาสมาธิพึงพิจารณาทำความเข้าใจตามนัยยะที่กล่าวมานี้ คำพีบางแห่งกล่าวว่าวิปัสสนาสมาธิเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งแทรกอยู่ระหว่างคณิกาสมาธิกับอุปจาราสมาธิพึงทราบว่าวิปัสสนาสมาธินั้นก็คือคณิกาสมาธิที่นำไปใช้ในการเจริญวิปัสสนานั่นเองและมีความประณีตยิ่งขึ้นไปเพราะการปฏิบัติ